ก็คงวันนี้คงจะต่อในเรื่องของสีและนิเทศเนาะในคมพีวิสุทธิมารนั่นเองแต่จะตัดมาส่วนนิดช่วงของศีแล้วก็จะพูดโดยสรุปท่านกล่าเบื้องต้นเขาไว้ที่บอกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาจารย์ทสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็เริ่มตั้งนิฐานในคถาแล้วก็ตั้งปัญหาพยากร อ, อันนั้นคือก็เอาคมพีมาเพื่อสรุปให้เป็นประเด็นไปจริงๆไงไม่ได้คิดจะพูดเรื่องสี เพราะว่ามาจากประเด็นที่ว่าเอกสารไม่พร้อมของสุลีระษาในจิตานุปัสสนาก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาก็เลยสรุปเลยก็เลยพูดเรื่องศีลฉะนั้นในครั้งที่แล้วก็เลยพูดเรื่องศีลมาทีนี้ด้วยความที่อยากให้เราทั้งหลายเจริญกุศลศีลกันได้ที่ไปพูดมาสามชั่วโมงกว่าครั้งที่แล้วที่พูดที่เนี่ย ที่แรกก็อัดออกมาให้ท้าฟังก็เลยอาจารย์มาก็เป็นบรรยายที่มุ่งมั่ก็ยอมเขายอมก็ขอไปฟังฟังไปเสร็จเขาก็เลยออกออกใจกสรุปออกมาได้ประมาณสักสามชั่วโมงกว่าการว่าให้เราไปฟังเป็นพื้นฐานพ่าออกมาเป็นอย่างนี้โยมที่นุ่นก็บอกว่าท่านอาจารย์นายาพูดให้จบเฉพาะสรุปสี่ให้จบเล้มันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยอ้าวก็เลยเป็นประโยชน์ไปเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดตั้งใจจะพูดทีนี้ก็เลยไปเจอหนังสือที่ทางโยมประธรรมมาก็มาถวายโดยแล้วก็เออเป็นประโยชน์ตรงประเด็นที่บรรยายจะให้เอาไปถ่ายกันแล้วแจกกันเอกสารมาที่หลังบรรยายก่อน <c oughs> เอาไปได้กันใชอัน น, ะนี่คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็เวลาฟังก็ดูเอกสารตามไปได้เลยเป็นการเรียนหนังสือวัตถุประสงค์เพื่อมีความเข้าใจในเรื่องของกุศลสินชัดเจนขึ้นวันนี้ ก็สรุปแล้วก็คือว่าก็จะเอาในปฏิสัมพิธามารคมาเชื่อมโยงบ้างลเล็กๆน้อยๆเท่าทีวีเวลาแท้จริงถ้าเรื่องศีลจริงๆถ้าจะคุยให้เป็นงานเป็นการจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากเฉพาะศีลจริงๆเนี่ยในไม่ใช่เล็กนะ้อยแต่ว่าต้องการที่จะมาพูดเพื่อให้เรานั้นสรุปเอาไปปฏิบัติกันได้จริงๆเป้าหมายคืออย่างนี้น ในครั้งที่แล้วก็เลยพูดในเรื่องของเจตนาศีเจตสิกสีสังวรสีนวิติกรมาสีแล้วก็ตั้งปัญหาพยากรไว้หมดนะก็คืออะไรคือสีถามถึงองค์ธรรมชื่อศีบอดทว่ากระไรเป็นไปเป็นต้นอะไรเป็นวิเศษลักษณะอิจฉาติเจรสสัมปติรสแล้วก็ปัจจุบันฐานอุปปัฏฐานนะคืออาการที่ปรากฏหรือผลที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ประทัดฐานนะศีลมีอะไรเป็นอณิสง์ อะไรเป็นสังเกตุคือความเศร้าหมองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่โวทานคือความของแผ่วของศีลตลอดถึงประการที่หกก็อะไรเป็นเหตุของแผ้แคือความบริสุทธิ์ของศีลตรงนั้นก็ได้ตั้งประเด็นไปเรียบร้อยในครั้งที่แล้วทีนี้ครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลแล้วก็พูดในเรื่องของเจตสิกศนะีลเห็นไหมทบทวนนิดหน่อยก็คือว่าเจตนาศีล น, นั้นหมายถึงตัวเจตนาเจตสิก ที่ทำกิจในการที่จะเป็นที่ชานิธานิกิจในการที่จะเพาะมเมล็ดพันุ์ในการที่จะทําให้ผลอันไพบูลณ์เกิดขึ้นส่วนอย่างในเรื่องของเจตสิกสีนั้นก็ได้กล่าวไปแล้วในเจตสิกหกตัวกล่าวในเรื่องของสัมมาวาจาเป็นศีลอย่างไรสัมมา ต, ามตะมัตตาเป็นศีลอย่างไรสัมมาอาชีวะเป็นศีลอย่างไรแล้วก็พูดในเรื่องของอภิชาคือความไม่โลภเป็นศี แล้วก็อัพยาบาดความไม่โกรธเป็นสีอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิเป็นสีอย่างไรใช่ไหมยังจํำได้เลยว่าตัวสัมมาทิฏฐิได้ถามใช่ไนถะามโยมสุพรรณเนหมให้ตอบว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสีอย่างไรแล้วโยนสุพรรเนหงก็โยนกลับมาบอกตั้งใยจะถามใช่ไหมมันยังจําได้อยู่เลยเนะี่ยพระท่านก็ไปทําดานบ้านแผ่นนี้นะหลังจากอาจเป็นแผ่นแล้วนะพระท่านก็เป็นเรื่องัา เท่าที่เอามาจำว่าท่านนั่งฟังน่าจะไม่ตามบัวห้ารอบท่านฟังไปแล้วท่านเห็นประโยชน์ท่านก็ไปฟังบางคนเนี่ยถ้าถามดูเขาบ อ, อกฟังบางคนฟังมาสิบรอบแล้วก็แปล ว, ว่าอะไรเขาต้องการมีความขมักขม่นและมุ่งมั่นในการที่จะเจริญฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อที่จะต้องการมีความเข้าใจจริงอันนี้บ่งบอกถึงอะไร บ think, mm. <why S 1> ่งบอกถึงว่าชาวพุทธต้องมาคิดเรื่องศีกันให้เป็นกระบวนการจริงๆว่าเออเราจะให้สีนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงยิ่งไม่ยอมสมัครอันี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าคิดตรงนี้ก็คือการศึกษาคําสอนของพระเจ้านี่นะการศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยประเด็นที่ควรศึกษาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสีลเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของศีลดังที่ได้กล่าวเจตนาสีลเจตศึกสีนี่กล่าวไปแล้ว ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของสังวรศีลกับอวิติกมศีลตรงนี้ก่อ น, ท, อน ท, ที่จะพูดถึงในเรื่องของสังวรศีลกับอวิติกามศีลเนี่ยทั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของคำว่าศีรนะศีรนาตรงนั้นไปอยู่ในข้อที่สองที่ชื่อว่าศีลพราหมณวกคลายตินไปงั้นตรงนี้ก็จะกล่าวเกี่ยวในเรื่องของสังวรศีลก่อนแล้วก็อวิติกามศีลพอเป็นประเด็นก่อนเนี่ยนะพอพูดถึงในเรื่องของศีลเนี่ยนะ ในเรื่องของสังวรศีลตรงนี้จะไม่พยายามพูดให้ยาวมากเพราะถ้าพูดถึงในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยเยอะไหมเยอะแต่ก็จะไม่ตัดความจนเสียของในด้านของสังวรศีลน้นท่านพูดถึงในเรื่องของปาฏิโมกสังวรศีลเนาะพูดถึงในเรื่องของสังวรห้าประการในสังวรห้าประการนั้นก็มีปฏิโมกสังวรเนี่ย แล้ก็สติสังวรญาณนะสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรในปฏิโมกสังวรนะั้นนะมาในลําดับที่ท่านตรัสเขาไว้บอกว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยปฏิโมกสังวรสนีนั่นคือปฏิโมกสังวรศีลก็คือได้แก่ศีลในปฏิโมกแต่แก่ปฏิโมกสังวรศีลตรงนี้ ถ้าขยายหน่อยในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีลถ้าพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยเกี่ยวกับโยมไหมโยมรักษาปฏิโมกสังวรศีลแบบไหนอะไรคือปฏิโมกสังวรศีลของโยมตอนนี้ยอะไรเป็นปฏิโมกสังวรศีลของโยมนะฉะนั้นคําว่าปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าเออในคําสอนท่านก็บอกบอกว่า พระิโมธีสังวรศีลเป็นต้นนั่นน่ะท่านวินิจัยภาลนาท่านบอกว่าอีทะเปหมายความว่าในพระศาสนานี้ใช่ไหมอีทะพิขคได้แก่บูรบุตรผู้มีศรัทธาที่ได้กล่าวตามโวหารเพราะเป็นผู้เล็งหินภัยในสังสารวัตรหรือเห็นภัยในวัฏสงสารเพราะเป็นผู้ใช้ผ้าที่ถูกทําลายแล้วเป็นต้นอย่างหนึ่งอันนี้หมายถึงพระเนี่ยพระที่ท่านมารักษาคําว่า พิคุในที่นี้นหมายความว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนั้นท่านหมายถึงพระที่ใช้ผ้าที่ขาดแล้วเที่ยมมาเย็บมาปักแล้วก็เย็บทําเป็นโยนเป็นต้นส่วนคําว่าปาติโมกขาเนี่ยนะในคําว่าสํารวมแล้วด้วยการสังวรคือปฏิโมกเนี่ยแต่แก่ศีนที่เป็นสิกขาบทจริงอยู่นะศีนนั้นเป็นสิกขาบทเรียกว่าปาติโมกขะเพราะอัถวะกายเพราะปลดเปรื้องผู้ที่รักษาศีนนั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์ในบายเป็นต้น ที่จริงในที่เนี้ยท่านไปเชื่อมโยงในดีกาเขาไว้ไม่ได้อามานแต่พอจะจับประเด็นได้ตรงนี้ก็คือว่าคําว่าปาตีเนี่ยก็แปลว่าตกไปตกไปในใบยภูมิกับตกไปในสังสารวัตรคาว่าปาตีเนี่ยนะศัพท์เนี่ยนะส่วนคําว่าโมฆาเนี่ยแปลว่าพ้นโมฆะคือการพ้นฉะนั้นคําว่าปาตีโมกเนี่ยนะ ปาฏิโมกเนี่ยสรุปโดยใจความก็คือปาฏิโมกสังวรศีลเนี่ยคือศีลที่เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุในการที่จะทําให้สัตว์นั้นไม่ตกไปในไบยภูมิคือเป็นการตกไปสู่การเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตจะเป็นสุรกาสักใจไหมลักษณะนี้แปลว่าตกไปเพราะการที่เป็นปาตะหรือปาตีเนี่ยแปลว่าตกไปแล้วแต่พระบรมศาสดาก็มีพระมหากรุณาธิคุณ เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มืดบอดมืดบอดก็คือตกไปในใบพภูมิกับตกไปในสังสารวัตรไม่สามารถจะออกจากสังสารวัตรได้พระบรมศาสดาก็ทรงประทานกุตรศรีใฉะไหมประทานอะไรประทานเจตนาศีลประทานเจตสิกศีลประทาน ส, งนสังวรศีลแล้วก็อาวิจิตรมศีเพื่อต้องการให้สัตว์นั้นน่ะได้มีศีลนั้นน่ะมาประชุมในกระแสขัน เมื่อได้ไดกุศลศีลมาประชุมในกระแสขันแล้วเนี่ยเดินในกุศลศีลแล้วสัตว์นั้นก็จะไม่ตกไปในไยภูจากการประชุมกุศลศีลนี่แหละถ้าเป็นในชั้นของอวีติกามมาเนี่ยศีลระดับของอวีติกามาเนี่ยเป็นศีลตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงอาถรรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นศีลเนี่ยไม่ใช่พูดเรื่องตัดเล็กๆเอายกตัวอย่างถ้าพูดถึงในกรณีว่า เบื้องต้นที่เราเกล่าวกันยังไหมเมื่อว่าจะเป็นเจตนาหรือเจตสิกที่กล่าวมาแล้วเจตนาหรือเจตสิกศีลเป็นต้นเหล่านี้ยก็จะต้องออกจากปานอนาติบาสน้อมออกจาก่ปานอนาติบาคือละปานอนาติบาละอธินนาธรรมละกามีสุวิชาชาจาร์ใช่ไหมแล้วตอนละมุสาวาติสุนาวาจาพุริสวาปจาสัมภะลาบะแม้อภิชาก็ต้องละด้วยเพราะอภิชาเป็นศีลใช่ไหมอภยาบาทรคือความไม่โกรธก็เป็นศีล สมาธิที่สี่ก็เป็นศีลสรุปแล้วก็คือตัวศีลนั้นเป็นตัวทําให้ออกจากกุศลกรรมบทสิบน้องก็าหากุศลกรรมบทสิบขยาใจยางออกจากการฆ่าเพิงดเว้นจากการฆ่าน้องก็สู่การไม่ฆ่านั่นเองก็ออกจากการรักทรัพย์เพื่อนน้องก็สู่การไม่รักใช่ไหมออกจากเกี่ยวในเรื่องของการฆ่าการลักการประพือผิดในกรรมใช่ไหม ก็คืองดเว้นจากการาพูดผิดในการอันนี้ก็แปลว่าในทางด้านของกายกรรมก็งดงามแล้วแล้วก็ออกจากการพูดเท็จซอเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้ออันนี้วจีกรรมก็งามแล้วส่วนอนัพิชาอภิยาบาทอันนี้ก็คือไม่โลภไม่โกรธส่วนสัมมาทิฏฐิก็คือมีปัญญาใช่ไหมแล้วปัญญาในที่นั้นจะเน้นตัวกรรมสกดาสัมมาทิฏฐิเน้นตัวกรรมสกดาสัมมาทิฏฐิก็คือไปมองตรงไหนมองกายกรรมว่าเป็นบุญหรือเป็นบา มองวัจีกรรมว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปมองมโนกรรมว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปก็งดเว้นจากบาอปอกุศลกรรมทั้งหลายแล้วก็น้อมก็หากุศลใช่ไหมตัวศีลจริงๆจะต้องสามารถประชุมได้อย่างนี้จริงๆแลวต้องเกิดได้ในชีวิตจริงแล้วไม่ใช่ไปเกิดได้ในห้องสีเหลีย่ยมใช่ไมมันต้องเกิดได้ในทั่วไปตัวได้ในชีวิตจริงในขณะที่สนทนา น, านั้นเป็นสัมมาวาจายางไง เอากรณีการกแสดงการกระทำออกทางกายเป็นสัมมาธรระมะอย่างไรแล้วพวกเราทั้งหลายการเป็นค า, ารวะต้องเลี้ยงชีพและเป็นสัมมาชีวะอย่างไรท่าก่อนเน้นขับเน้นตัวนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็บ่งบอกได้ชัดว่าถ้ากุศลศีลเนี่ยใจต้องไม่โลภใจต้องไม่โกรธและต้องมีปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นศีลใช่ไหมเป็นตัวเจตสิกศีลนั่นก็ได้กล่าวไปแล้วอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่า ผลปรากฏของศีลเดี๋ยวเราไปศึกษาถึงถึงอาการปรากฏเราจะเห็นว่าผลปรากฏของศีลชัดที่สุดก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดอันนี้เป็นพุทธพจน์รับรองไว้เลยว่าบุคคลที่รักษาศีล น, นั้นกายกรรมก็สะอาดวาจกรรมก็สะอาดใจก็สะอาดอันนี้เราก็ดูแล้วแต่นี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยย่อมบงคลก็จะเห็นว่าเอ๊ะรักษาศีลกันอย่างไรใจทําไมเป็นทุกข์ใจทําไมไม่สะอาด อันนี้บ่งบอกได้เลยว่าท่านผู้นั้นเดินกุศลศีลไม่เป็นหรือเดินไม่ได้หรือไม่เข้าใจในการที่จะขับเน้นให้มันเกิดใช่ไหมก็เลยไม่สามารถจะทำให้กุศลศีลนั้นเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเมื่อกุศลศีลเกิดได้ในจริงนะสุจิริสามก็ไม่แข็งแรงถ้าสุจิริสามไม่แข็งแรงจะสติปัฏฐานไปตั้งลงตรงไหนเอาสมมารประาสมมประธานสี่ไปตั้งลงได้ยังไงอิธิบาทสีสี่ห้าพระละห้าโพชฌงเจ็อปัญญามักมีองคแปดประชุมได้ไหม ประชุมไม่ได้เมื่อประชุมไม่ได้ก็บ่งบอกว่ากรณีเหตุการที่เราจะเดินตามศึกขาโดยเฉพา ะ, ะศีแลสิกขาศีแลสิกขาไม่ใช่เดินแค่ชั้นต่ำๆ ต, ต้องพัฒนาจากกุศลแศีลจากในกุศลแจิตชั้นธรรมดาเนี่แหละแล้วพัฒนาจากกุศลจิตนั่นแหละให้มีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นจนถึงในชั้นของสมถะและวิปัสสนาตัวกุศลศีลก็ต้องขํจาจุนไปเรื่อยๆแม้ในขณะแห่งมรร ตัวกุศลศีลก็ต้องไปประชุมกันเป็นเป็นหนึ่งสิกขาใช่ไหมในเวลาสิกขาสามจริงไหมสรุปแล้วก็คือว่าศีลนั้นต้องไปประชุมได้ในอัญญมารคนั่นแหละถึงจะจัดว่าท่านผู้นั้นน่ะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วถ้าอย่างนั้นไม่มีทางที่จะออกจากขวดตะทุกได้เดี๋ยวเวลาไปเดินในเรื่องของอวิติกรรมะท่านจะไล่ดูเลยว่าสังวรกับอวิติกรรมะเนี่ยไล่ไปตามลําดับ เริ่มตั้งแต่การออกจากปานอาทิบาอย่างไงใช่ไหมออกจากอาทินนาทานอย่างไงเป็นต้นแล้วก็ไปออกจากนิวรอย่างไงเป็นต้นเหล่านี้นะจนถึงระดับปฐมวิชารถเตียชานเป็นต้นอย่างไงเป็นต้นแล้วก็ในขณะที่ไปเจริญวิปั ส, สนาเป็นต้นเป็นไ ป, น ป, นปนอย่างไรไปถึงไปชมเนี่ยดิยมักอย่างไงหนีสีมเดินในขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้โหรักษาะสิกันเด็นเพื่นไปที่เพียงเนี่ยถามแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์พัฒนาศีมกันแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์เราใช่ไหม เพราะการเดินกุศลศีลจริงๆนั้นนะต้องเป็นปัจจัยแก่การเคลื่อนหนุนไปยันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องสามารถผักดันจนกุศลศีลปีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ถ้าตอนเนี้กุศลศีลมีอะไรเป็นอารมณ์ย่อมมีการได้ฆ่าไม่รักเป็นอารมณ์อยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะั้นต้องขับต้องสามารถทํากุศลศีลจนแข็งแรงจนวันใดวันหนึ่งได้สัมผัสพระนิพพานโดยการมีกุศลศีลเป็นสัมผัสพระนิพพานได้ถึงจะบอกว่าเบาใจได้ ถ้างั้นก็เบาใจไม่ได้อีกย้นสมเย้ ม, มต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต้องมาเรียนเรื่องสีนใหม่อีกเราจะเรียนวันนี้หรือจะเรียนอีกหลายหลายล้านปีข้างหน้าก็รีบเรียนซิอ่ะใช่ไมเพราะโอกาสเรียนในข้างหน้านะ่ะใครจะมาสอนินาวชิดใช่ไเราจะตั้งความหวังไว้กับใครถ้าไม่มีพระเจ้าอ่ะจะตั้งยังไง หรือถ้าไปตั้งไว้ในพระเจ้าจริงแต่เราตั้งไว้ไม่มัน่นคงอะไรจะเกิดขึ้นทีเียอันนี้อันนี้ก็ต้องไปนั่งพิจารณานาะฉะนั้นในกรณีนี้ก็มาศึกษาเรื่องปฏิโมกสงวรสีปฏิโมกข้ า, าจจะว่าปลดเพื่องภิกษุผู้รักษาสีนใน ห, หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายคือภิกษุเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะปลดเพืองภิกษุที่รักษาสีเป็นต้นเหล่านั้นนะภิกษุภิกษุนีบาศกรละบาศิกาเป็นต้นนะะที่รักษาสีนาเทวดาด้วยเนาะ ที่รักษาสีเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายก็คือทุกข์ในใบภูมิทุกข์ในสังสารวัฏถ้าถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราออกจากทุกข์ในใบภูมิยังไม่ได้เลยยังไม่ปลอดภัยกันเลยเนี่ยนะยิ่งในสังสารวัฏด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยความระวังเนี่ยชื่อว่าสังวรนะ เ, เขาเรียกปฏิโมกข์คำหนึ่งใช่ไหมสังวรคำหนึ่งการระวังก็ได้การปิดการกั้นก็ได้เป็นชื่อของการไม่ร่วงละเมิด คำว่าสังวรเนี่ยเป็นชื่อของการไม่ร่วงละเมิดทางกายทางวาจาและเป็นการที่ใจนั้นก็ไม่เป็นบาปด้วยเนียคำว่าสังวรใ น, นที่นั้นอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ร่วงละเมิดทางกายไม่ร่วงละเมิดทางวาจาแต่ใจเป็นบาปอันนี้เรียกว่าสังวรเกิดไหมสังวรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกอภิธรรมขอสังวร น, นี้ได้แก่อะไร มีอะไรเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมของเขาสภาวะของเขาคือศรัทธาใช่ไหมสติสังวร น, นี่อินเดียสังวรได้แก่สติใช่ไหมอาชีวะวิริยาสังวรน่ะสติสังวรทายาทสังวรก็คือปัญญาวิริยาสังวรก็คือวิทยาขันติสังวรก็คืออะไรขันติขันติได้แก่อะไร อาโทสะใช่ไหมแล้วขันติกับเมตตาต่างกันยังไงเดีย๋ยวไปยาวเลยเดี๋ยวพึ่งนี้เลยให้ต่เบอถามไปใหญ่เลยอย่างนี้เดี๋ยวคืออย่างนี้ชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยจะให้ความรู้ให้ความเข้าใจอชั่วโมงหลังถามอย่างครั้งที่แล้วแต่ไม่บอกว่าจะถามใครเรื่องอะไรถามสองเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องสังวร เรื่องเกี่ยวกั น, นเรื่องสังวรห้ากับอวิติกรรมะถ้าจบนะถ้าไม่ทันจบเรื่องสังวรก็ถามเรื่องสังวร อ, อย่างเดียวเอางี้นะทุกคนก็จะได้มีความรับผิดชอบในการนั้นนะเพราะถา ม, มออกเอาไปฟังดูแล้วออกมะไรรู้ไหมออกที่บันทึกเก็ อ, อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ไปฟังกันทั่วไปหมดฉะนั้นก็ตั้งหลัก <laughs> เดี๋ยวเขาจะรู้ภูมิเราใช่ไหม ด, ดีไหมอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะ ตรงนี้ก็คือว่าเป็นผู้สํารวมในปาติโมกก็ชื่อว่าปาติโมกสังวรสังวุตโตเนาะผู้สํารวมก็คือผู้เข้าถึงประกอบด้วยสังวร น, นั่นเองส่วนคําว่าวิหรติคือยังอัตภาพให้เป็นไปในอียบ ท, ทั้งสี่ต้หมายความบอกว่าภิกษุเนี่ยที่ยังอัตภาพให้เป็นไปในียาบทยืนในียบทยืนเดินในอยบทยืนนั่งและในียบทยืนนอนก็ทําสังวรคือปาติโมกสังวรนี่เป็นไปก็แปลว่าอะไร ปฏิโมกสังวรศรีลเนี่ยนะเกี่ยวในเรื่องของสิกขาบทที่เป็นไปในด้านของท่ากองพาก็คือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยรักษาียาบทไห น, ะนยาบทยืนต้องรักษาไหมต้องให้ศีลเหล่านี้เกิดมีอยู่ใช่ไหมยาบทนั่งละ่ะยาบทเดินละ่ะยาบทนอนนอ น, นี้ทิ้งศีลได้ไหมเห็นไหมสรุปแล้วก็คือว่าการรักษาศีลนั้นต้องให้เป็นไปในยาบทนั้ น, น, น อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าให้พึงระมัดระวังว่าไม่ใช่ว่าในยาบทนอนไม่ต้องให้ศีลเดินแล้วนีเข้าใจยังฉะนั้นศีนั้นจะต้องดูแลได้ในความเป็นไปในยาบททั้งสี่นะสัวนในยาบทย่อยก็ไม่ต้องพูดถึงทีนี้ในกรณีแน่งคำสอนต่างๆตร ง, ง, ง, งนี้ที่ท่านแยกแ ย, แยกเขาไว้นี่ก็เพราะว่า ในคำสอนที่ท่านอธิบายเกี่ยวในเรื่องของปาฏิโมกสังวรศีลเขาไว้ก็คือว่าภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้สำรวมคือปาฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายศีล น, นี้ชื่อว่าปาฏิโมกสังวรศีลใดที่พระผู้มียภาคเจ้าตรัสภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ยึดถือด้วยนิมิตไม่ยึดถือด้วยนุพยัญชนะ แล้วก็ป้าบาปกุศลธรรมทั้งหลายนี้อภิชาและโทมนัสย่อมไม่ไหลสู่กระแสใจของภิกษุเหล่านั้นก็คือราคาโทสาวโม ห, ามาหะไม่ไหลนะในขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและประสัมผัสถูกต้องแล้วก็คิดนึกทั้งหลายนั้นเป็นอินทรีสังวรไปส่วนการวิรัตอยากมิจฉาอาชีพอันใดที่เป็นไปเดิมนะหน้าถึงการล่วงละเมิดศิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้จะมีอาชีพเป็นเหตุและด้วยหน้าถึงบาปธรรมทั้งหลายว่า การหลอกลวงการพูดเละลิล่มเป็นต้นในการด่าการแช่งการสแสวงหาลาภนนี้จัดเป็นอาชีวประดิษฐ์ทีส่วนการบริโภคปัจจัยศีลอันบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาที่จัดไว้โดยในเป็นอาธิปภิกษุพิจารณาโดยแยกภายแล้วใช้สอยกีวรเพียงเพื่อกํจาจัดความหนาวความเย็นเป็นต้นนี้ก็เป็นปัจจิย ส, สันนิสิตาศีลอันนี้ก็กล่าวเป็นเป็นศีลสี่อย่างใช่ไหมก็อยู่ในชั้นของปัจิโมกสงวนศีลแล้วก็ อินเดียสังวรศีลก็คือสติสังวรแล้วก็อาชีวปริสุทธิศีลก็คือวิริยะสังวรปัจจยะสันนิสิตาศีลก็คือญาณสังวรส่วนขันติสังวรก็เพิ่มไปหนึ่งก็กลายเป็นสังวรห้าไม่ต่างกันนี่ต้องการชี้ให้เห็นทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าปฏิโมกสังวรก็พอจับประเด็นได้ว่าที่บอกว่าปลดเปลื่องปฏิโมกเนี่ยนะ ปาติโมฆะก็คือการปลดเปลื่องทีนี้คำว่าปลดเปลื่องพิสูุผู้รักษาศีลให้หลุดพ้นถ้าอย่างเราที่เป็นฆราวาสก็ปลดเปลื่องบุคคลที่รักษาศีลนั้น่ะให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายคือทุกข์ในใบยภูมิเป็นต้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์โดยเฉพาะบทต้องการอยากจะยกตนออกจากใบยมิหรือปรารถนาจะยกตนเองออกจากสังสารวัฏ ตัวปฏิโมกขังวรศีลจึงมีความสําคัญใช่ไหมเพราะเป็นตัวปลดกลด้วยหรือเป็นตัวที่จะทําให้เราไม่ตกไปในอบยภูมิและไม่ให้เราตกไปในสังสารวัตซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ตกไปในใบยปูมิและตกไปในสังสารวัตรกันอย่างยาวนานแม้นนในอนาคตถ้าไม่ระมัดระวังหรือถ้าหากว่าผิดทลาดไปในด้านของเสียกุศลศีลโอกาสที่เราจะตกลงไปในใบยปูมิและตกไปในสังสารวัตรก็ เป็นเหตุที่เป็นไปได้ง่ายมากทีนี้ครั้งที่แล้วยังบอกบอกว่าถ้าเราศึกษาว่าทำถ้าหักในขณะที่นั่งฟังทำหงดหยิดพุ่งสร้างในขณะฟังกุศลราศีเกิดไหมกุศลราศราีมศามไม่เดินเจตนาเจตสิกไม่เดินมีกุศลราศีมไม่เดินเป็นงนั้นนะสังวรไม่ต้องพูดถึงอวิธิกรรมะเป็นตน้นสรุปแล้วก็คือตอนนั้นกุศลราศีมไม่เกิด ถ้ากุศลศีลไม่เกิดเนี่ยชื่อว่ามีศีลหรือไม่ชิดชื่อว่ามีหรือไม่มีถ้าจะทําไงเดินกุศลให้ได้ใช่ไหมอ่ะมันเดินไม่ได้ทํำยังไงถ้ามันง่วงขึ้นมาทําไงก็อย่าไปห่วงเก้าอี้เก้าอีนี้ถ้าจะไม่เหมาะกับเราเลยก็ยืนเลยไม่เป็นไรเขาไม่ถึงทีนี้เป็นต้นนี้มันนั่งห่วงเก้าอี้นั่งเราอยู่ไม่เหมาะเนะ่นี้ก็ไม่เหมาะก็เสียประโยชน์ไม่ได้ฟัง ตรงนี้ท่านถ eh. uh, ึงบอกว่าวิหารตินั้นคือการยังอัตภาพไปเต็นไปด้วยอยาบททั้งสี่อธิบายที่ท่านบอกถึงพร้อมด้วยอาจารและะโคจรเนี่ยนี่เกี่ยวในเรื่องของโดยมากท่านขับเน้นกับพระภิกษุสงฆ์พูดถึงพร้อมด้วยอาจาระละโคจรเนี่ยนะอาจาระก็มีอนาจาระก็มีอาจาระคืออะไรเนี่ยความไม่ละเมิดทางกายความไม่ละเมิดทางวาจาความไม่ละเมิดทั้งทางกายและทางวาจาความไม่ละเมิดอันนี้เรียกว่าอาจาระ ฉะนั้นแม้สังวรคือศีลทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอาจาระนะของพิกษุปเป็นต้นในศาสนานสรุปแล้วก็คือคําว่าอาจาระเนี่ยเป็นเชื่อของการไม่ร่วงละเมิดไม่ร่วงละเมิดของเจตนาศีลไม่ร่วงละเมิดของเจตสิกศีลไม่ร่วงละเมิดของสังวรศีลแล้วก็เอาวิติกรรมศีลนั่นเป็นอาจาระหมดถ้าเราดูว่าเออท่านคนนี้มีอาจาระหรือไม่มีอาจาระก็แปลว่าท่านคนนี้มี เจสนาสีนเจสิกสีน์สังวรสีน์นาวิติกมศสีน์ไหมเค่นั้นเนองไอตรงนี้เราก็เริ่มจับประเด็นได้ใช่ไหมนี่คืออาจารย์ละพิสูนในศาสนานี้ย่อมไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะของพระก็คือการให้ไม้ภยัยการให้ใบไม้การให้ดอกไม้ผลไม้การให้แป้งสงสนารเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราไม่ให้เนี่ยเป็นอาจารละ ถ้าให้กับอาณาจาระใช่ไหมอาณาจาระให้สังเกตดูดีว่าตรงนี้ก็เรียนสองส่วนที่จริงการศึกษาเนี่ยถ้าพูดถึงอาณาจาระก็มีอาจาระก็มีเนี่ยท่านจะพูดอาณาจาร์ก่อนอนณาจาร์ก่อนแล้วก็พูดอาจาระทีหลังคือท่านแสดงตามหลักมงคลสูตรมงคลสูตรท่านก็จะบอกว่ามาครบคนพานแล้วก็มาคร บ, บัณฑิตใช่ไหมการศึกษาคําสอนจะจับประเด็นให้ชัดเพื่อเราจะเข้าใจตรงเนี้ สำหรับบุคคลที่ศึกษาคําสอนนี้ดีเนี่ยท่านจะบอกทางอย่างมุดคนบอกทางก็งเหมือนกันสังเกตดีเขาจะบอกว่าเวลาจะบอกทางเขาจะบอกทางผิดก่อนแล้วจะบอกทางถูกทีหลั ง, ง น, นี้เป็นต้นนั้นน่ยใช่เพราะจะต้องเปรียบเทียบไงถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยไม่ชัดในคําสอนของพระบระมาศาสดาเนี่ยท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นถึงพร้อมได้อาถาและไปะยันชนะเพราะเวลาพระองค์แสดงธรรมอย่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วจับประเด็นให้ได้ถึงเราจะเข้าใจ ไอ้ตรงนี้เหมือนการจริงๆเมื่อกี้มายกอาจารยะขึ้นก่อนจริงๆริอะมาต้องการเชี่ยอาจารยลก่อนแค่นั้นเด็แต่หลักหลักลาการแสดงจริงจริงเขาแสดงอนณาจารยก่อนเช่นว่าการความร่วงละเมิดทางกายความร่วงละเมิดทางวาจาความร่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจาอันนี้เรียกว่าอาณาจารแม้ความผู้ศีีทุกๆอย่างชื่อว่าอาาจารย์มือเริงของพิกูุในศ า, าสนานี้เช่นไม่มีเจตนาศรีไม่มีเจสิจกศีีไม่มีสังวรศรีไม่มีอวิชกมาศรีเนี่ย เชื่อว่าเป็นความทุศีทุแปลว่าดีวะ่ะเหมือนกับคำว่าทุกุตโตเนี่ยก็แปลว่าบุตรไม่ดีเนี่ยจะทุศีนก็คือทําไมจึงเรียกว่าคำว่าทุศีน่ะทําไมจึงเรียกว่าทุศีนถ้าทุกบุตรโตเนี่ยก็แปลว่าไม่ดีใช่ไหมถ้าทุศีนก็แปลว่าอะไรไก็ศีนไม่ดีมันเกิดแทนไงเป็นอคุโสรศีนเกิดแทนเขาเลยเรียกว่าทุศีน คือจริงๆท่านสอนศีนจริงๆท่านสอนสองอย่างนะสอนอกุศลแศีนกับสอนกุศลและศีนไงคำว่าทุศีนก็คือเป็นมีศีนที่ไม่ดีเหมือนนั่งแล้วไม่มีศีนอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาเรียบทุศีนใช่ไหมนั่งแล้วให้อกุศลเกิดจ ะ, จะบอกว่านั่งไม่ดีได้ไหมถ้าได้นั่งแล้วเนี่ยมีจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นนั่งทําบาปไงปกติท่านให้ใช้อีอาบทศีเนี่ยนะ ให้มีศีลเป็นไปใช่ไหมให้มีสมาธิและปัญญาเป็นต้นเป็นไปแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่นั่งไม่เป็นต้องมาสอนการนั่งใหม่สอนเดินใหม่สอนนอนสอนยืนต้องมาสอนกันใหม่หมดแหละในศาสนานี่นะบุคคลที่เข้ามาในศาสนานของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็สอนใหม่ บอกว่าเ้าสอนเรื่องที่เขาสอนกันอยู่นี่แหละทั้งโลกก็สอนเรื่องการยืนเดินนั่งนอนพระเจ้าก็มาปรับบอกว่าการยืนเดินนั่งนอนของเธอนจนไม่ดีเดินอย่างนั้นมันเดินแบบคนทุ่ศีนยืนอย่างนี้มันยืนแบบคนทุ่ศีนนั่งแบบนี้นั่งแบบคนทุ่ศีนนอนแบบนี้นอนแบบคนทุ่ศีนถ้ามันนั่งหลับฟังธรรมนี่ก็เรียกนั่งแบบนั่งดีหรือไม่ดีนั่งไม่ดีก็อย่าไปนั่งใช่ไหมพี่ชาว น, นั้นี่เหมาะแล้วไม่นั่งทุ่ศีนอยู่ทำไมเล่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะ ก็คือนั่งเขาเร้ยก็นั่งไม่ดีอ้าทั้งนั้นไปนอนดีมากไม่ดีไปนอนขาดไม่มีศีลนีกสรุปแล้วถ้าไม่มีศีลเนี่ยไปอยู่ในยาบดไหนดีหรือไม่ดีไม่ดีเลยถ้าต้องการอยากจะมีศีลเขาให้คบครบคนมีศีลหรือคบคนไม่มีศีลถ้าเราไปครบคนไม่มีศีลเราจากลายเป็นะเข้าวไรก็จะไปติดพฤติกรรมความไม่มีศีลก็จะติดพันกันนี้ ัต่อไปก็อยู่ ใ, ใกล้ๆกับพลายสกิดมี น, นี่ค่ะทำสีไม่เกิดบ้างเดียวพลายฉันคบคนฟาลไปด้วยก็บอกกเขาก็จะโกรธเลยนะก็บอกเขาจะได้ช่วยๆกันเตือนกันจริงไหมย้นอนรอบดีไหยแบบเนี้ยออย่างนี้ดีนะออถ้าถ้าถ้าเรารู้ว่ามันคุยไม่ได้ก็เงียบๆ ก, ก, ก็ต้องไปหนึ่งแต่ถ้าเราแนะนําได้ก็แนะนําใช่ไหมเพราะว่า ก็ไปนั่งรถแท็ซซแกซี่เดือแท็กซี่ก็ไม่มีสีแล้วเราไปไปบอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วนั่ ง, ง, ง, ง, ง, งขอบคุณเนี่ยคุณคุทุสีนั่นงั้ก็ไม่ได้เหมือ น, นกันเขต้องดูจังหวะเหมือนกันนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้ถ้าอนาจาระเนี่ยเขาแปลว่าแม้ความทุสีทุกๆอย่างก็ชื่อว่าอนาจาร์หมดเลยฉะนั้นถ้าบอกว่าอนาจาร์ทางโลกกับอนาจาร์ทางทาศาสนาก็ต่างกันละถ้านาจาร์ทางศาสนาเนี่ยแปลว่ า, าทุสี น, นั่นคือความอนาจาร แต่ถ้าทางโลกเนี่ยเป็นคนดีในสังคมต่า ง, างๆจะทุ่มสินแค่ไหนเขาก็ไม่เรียกว่าอนาจารย์อนาจารย์ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอยเรื่องเดียวนี่ปะเรื่องที่ไม่ดีเล ย, เยอย่างเช่นคนบริสุทธอนาจารย์ก็มีกฎหมายก็ห้ามไว้เนาะก็คนละเรื่องกันนะนั่นนาะกฎหมายก็เป็นเรื่องของห ย, ยาบๆไปแต่ทางด้านของสีนนี่เป็นเรื่องของละเอียดไม่ชี้ละเอียดไหมละเอียดนะเนีี้ก็ต้องเข้าใจโดยเฉพาะไม่ชีเนี่ยศีนก็ต้องแข็งแรงกว่าโยธรรมดา ต้องเป็นแบบไหมต้องเป็นแบบชัดเลยเป็นแบบระดับผู้นำอะ่ะเนี่ยเป็นระดับเรอผู้นำได้แต่ว่าญาติโยมเข้าไปหานี่สอบถามรายละเอียดได้ถ้าถามแล้วดิฉันก็ไม่รู้อย่างนี้น่แ ม, มชักไม่ค่อยดีใช่ไห